ยังจําเรื่องของปู่อ่ําที่บ้านหาดสองแคว ร, ริมแม่น้ําป่าศักกันได้ไหมคะที่จริงเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนที่ปู่อ่ําจะเสียชีวิตเมื่อเราเล่าถึงเรื่องของปู่อ่ําแล้วก็ต้องเล่าเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดไม่น้อยไปกว่าเรื่องราวของปู่อ่ํากับย่ายอดเป็นเรื่องของไอ้มักแม่น้ําป่าศักเลยจากตัวอําเภอขึ้นไปทางเหนือบ้านท่าศาราหรือว่าบ้านหาดสองแควซึ่งเป็นบ้านของปู่อ่ํา จะมีเกาะแก่งอยู่หลายแห่งเหมือนกันเวลามีแขกมาจากกรุงเทพไปเที่ยวที่บ้านในตัวอำเภอซึ่งส่วนมากมักจะเป็นบรรดาญาติพี่น้องของเราหรือว่าเพื่อนของพ่อพ่อจะจัดเรือพาไปเที่ยวตามแม่น้ำซึ่งพ่อพูดว่าล่องแก่งการไปเที่ยวแบบนี้ผู้ใหญ่อนุญาตให้ผมไปกับเขาด้วยการไปล่องแก่งสาหรับเด็กอายุ12องมันเป็นเรื่องที่สนุกมากบางครั้งคืนก่อนหน้านั้นผมถึงกับนอนไม่หลับ อยากให้ถึงตอนเช้าเร็วๆพอตอนสายๆแม่จะเตรียมกับข้าวหลายอย่างลงเรือซึ่งเป็นเรือติดเครื่องยนต์มีหลังคากันแดดด้านข้างเรือเปิดโล่งทั้งสองข้างเรือแบบนี้มีขนาดใหญ่นั่งได้ราวๆ3ามสถึงคนเวลาติดเครื่องมีเสียงดังป๊อกปอกเป็นจังหวะผมเรียกเรือนี้ตามเสียงของมันว่าเรือป๊อก พอลงเรือไปตามแม่น้ำมองออกไปตามเกาะแก่งบางแห่งก็จะมีต้นไม้ขึ้นเป็นพุ่มมีนกต่างๆมากมายหลายชนิดรวมทั้งพวกนกกินปลาและก็นกเป็ดน้ำที่ผมจำได้แม่นก็คือในแม่น้ำป่าสักตอนที่ไม่มีหมู่บ้านมีจระเข้อยู่มากบางช่วงเราเห็นจระเข้ขึ้นมานอนอ้าปากพึ่งแดดเป็นกลุ่มตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างบางตัวนี่ใหญ่ขนาดเท่าตัวผมเลยก็มี เวลาไปล่องแก่งถ้าออกจากบ้านเราควรไปที่ตัวอำเภอแต่เช้าราเที่ยงก็จะไปถึงบริเวณที่มีหาดทรายกว้างเลยหาดทรายออกไปก็จะเป็นหน้าผาเตี้ยแล้วก็ล้อมรอบด้วยป่าทึบตรงหน้าผาจะมีถ้ำอยู่ตรงนั้นเรียกกันว่าถ้ำหมีเวลาไปล่องแก่งเราจะไปหยุดกินข้าวแล้วก็พักผ่อนกันตรงนั้นก่อนที่จะเดินทางกลับในตอนบ่ายๆกลับมาถึงบ้านก็เย็นยา่ำมืดพอดี สมัยนั้นถนนเลียบแม่น้ำยังไม่ดีเหมือนเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นทางลูกรังขรุขระถนนก็แคบตำบลต่างๆแถบนั้นจะติดต่อกับตัวอำเภอรหรือตลาดได้โดยสะดวกที่สุดก็คือทางเรือผมมีคนคุ้นเคยที่นับญาติกันอยู่แถบนั้นไม่น้อยนอกจากปู่อ่ำกับย่ายอดแล้วก็ยังมีอีกหลายคนซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่ญาติจริงๆแต่ว่าคนต่างจังหวัดในสมัยปู่ถ้าเขารักใครก็รักมากนับเสมือนเป็นญาติกันเลยทีเดียว ตอนโรงเรียนปิดเทอมใหญ่ถ้ากลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดพ่อเบื่อเบื่อเข้าผมก็ขออนุญาตพ่อกับแม่ไปนอนค้างที่บ้านปูอ่อ่ำเพราะว่าที่นั่นมีอะไรให้เด็กๆอย่างผมเล่นสนุกสุขสนได้มากกว่าที่บ้านซึ่งอยู่ในตัวอำเภอและก็ยังมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันสองสาคนเรื่องสนุกของพวกเราก็คือลงไปเล่นตามหาดทรายริมแม่น้าเวลาร้อนจัดก็ลงไปไว่ายน้าเล่นในแม่น้า เบื่อการเล่นน้ําก็เข้าสวนเก็บมะม่วงเก็บส้มโอหรือผ ล, ลไม้อื่นๆกินกันตอนโรงเรียนปิดเทอมภาคฤดูร้อนเดือนเมษายนตรงกับหน้ามะม่วงพอดีเรื่องผลไม้ต่างๆนั้นพวกนี้แถบนั้นไม่มีใครห่วงเข้าไปสวนไหนก็เก็บกินได้ทั้งนั้นเห็นจะเป็นเพราะว่าพวกเราเป็นเด็กไม่ได้เก็บของเขามากมายนอกจากนี้แถบนั้นเข้ารู้กันหมดว่าลูกหลานใคร กลุ่มเพื่อนของผมที่แถวบ้านปู่อ่ำที่ตาบลเล็กๆริมแม่น้ำเป็นคนละกลุ่มกันกับเพื่อนในตัวอาเภอพวกเด็กๆบ้านหาดสองแควริมแม่น้ำเป็นเด็กบ้านนอกขนาดแท้เข้าโรงเรียนประสาบานที่วัดนานๆจึงจะได้เข้ามาในตลาดตัวอาเภอสักครั้งหนึ่งในกลุ่มของเด็กบ้านหาดสองแควที่สนิทแลวก็รักใครกันมากที่สุดก็คือไอ้มักผมจาชื่อจริงไม่ได้แต่ว่าเพื่อนๆ เ, เรียกมันว่าไอ้มัก เป็นธรรมดาของเด็กๆผู้ชายรุ่นผมในแถบนั้นเราเรียกกันว่าไอ้แล้วก็ใช้สรรพนามมึงกูพ่อของไอ้มากเป็นชาวนาเหมือนอย่างชาวบ้านส่วนใหญ่เวลาผมไปค้างบ้านปูอ่อ่าไอ้มาร์กจะเป็นเพื่อนคู่หูกับผมในบรรดาเพื่อนรุ่นเดียวกันไอ้มากมองเห็นผมเป็นวีรบุรุษเพราะว่าไปเรียนไกลถึงกรุงเทพซึ่งสาหรับเด็กในสมัยผมเป็นเรื่องไม่ธรรมดา นอกจากลูกค้าราชการและก็ลูกเจ้าของร้านในตลาดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนแล้วการไปรเรียนที่กรุงเทพเกินฐานะของลูกชาวไร่ชาวนาทั่วไปนอกจากนี้เวลาผมไปบ้านปู่อ่าผมก็จะมีของเล่นดีๆหรือว่าขนมแป ล, ปลกๆจากกรุงเทพไปแบ่งให้กับพวกพเพื่อนๆไอ้มาร์กนี่ชอบให้ผมเล่าเรื่องกรุงเทพให้ฟังที่มันชอบมากคือหนังสือการ์ตูนสมัยนั้นจาได้ว่ามีเรื่องสิงห์ดเป็นเรื่องเอก ไอ้มาร์กจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามในสายตาของผมมันก็เป็นวีรบุรุษเช่นกันไอ้มาร์กรู้วิธีทำหนังสติกที่สวยงามแล้วก็ยิงเดม่นโดยหากิ่งไม้ที่มีงามขนาดพอดีเหลาจนได้รูปไอ้มาร์กรู้ว่าริมแม่น้ำตรงไหนมีปลาให้เราหย่อนเบ็ดรู้วิธีจับปลากาศดตามแอ่งน้าในานาจับจิ้งหรีดด้วยการเอาน้ากรอกเข้าไปในรูจนมันออกมาใหเราจับไปเลี้ยง ชีวิตของไอมรัรกช่างน่าอิจฉาสําหรับผมเพราะว่ามีเรื่องสนุกให้เล่นอย่างไม่รู้เบื่อกลุ่มเพื่อนๆ เ, เด็กๆของเราก็เลยรู้กันว่าไอ้มารนี่เกลียดจิ้งจกตุ๊กแกเวลาไปเล่นในสวนถ้าเห็นตุ๊กแกตามต้นไม้ไอม้มัรกจะยิงด้วยหนังสติกบางทีตามต้นไม้ใหญ่ๆที่มีจิ้งจกมรัรกจะเอาไม้ไผ่ลำยาวๆฟาดให้จิ้งจกตกลงมาหุ่นแรกๆผมก็นึกว่ามันทําสนุกแบบเด็กสนทั่วไป แต่พอเห็นหลายหนเข้าเพื่อนเด็กๆทุกคนก็รู้ว่าไอ้มาร์กเกลียดจิ้งจกแล้วก็ตุ๊กแกที่บ้านของไอ้มาร์กนะ่ยไม่มีจิ้งจกซั ก, กตัวมันไล่ตีตายจนหมดไอ้แก้วเล่าให้ผมฟัง ส่วนผมเกลียดทั้งสองอย่างทั้งจิ้งจกและก็ตุ๊กแกแต่ว่าการเกลียดของผมนี้ต่างจากไอ้มา์กที่มันเกลียดเพราะว่าผมไม่เคยคิดจะยิงมันด้วยหนังสติก๊กหรือว่าทำร้ายมันเพียงแต่รังเกียดแบบที่รู้สึกกับสัตว์เลื้อยคลานบางประเภทแบบผมไม่กล้าจับจิ้งจกมาเล่นเหมือนเพื่อนเพราะว่ารู้สึกตัวมันนิ่มๆ น, น่าเกลียดยิ่งเป็นจิ้งจกตามต้นไม้ในสวนที่มีลำตัวสีดาเข้ม แถมลำตัวของมันยังโตกว่าจิ้งจกที่อยู่บนฟ้าเพดานบ้านส่วนตุ๊กแกนั้นสำหรับผมเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ากลัวร้ายกาจยิ่งตัวโตมากๆลายมันเป็นตัวสีเขียวๆแดงๆตาปนๆไอ้มักเกลียตตุ๊กแกแล้วก็จิ้งจกบางทีก็ชอบจับจิ้งจกมาโยนใส่ผมเพราะรู้ว่าผมเกลียดส่วนตุ๊กแกไม่เคยเห็นมันจับนอกจากเอาหนังสติ๊กยิง มีอยู่วันหนึ่งผมกับเพื่อนๆ อ, อีกสองสาคนไปตกปลาข้างบ้านไอ้แก้วมักหกยิงตุ๊กแกตัวโตบนต้นไผ่ตกลงมานอนไส้หลายอยู่บนพื้นแล้วก็เอาไม้ในมือเนี่ยตีซ้ำจนตายวันนั้นไม่รู้ว่าอุปทานหรือว่าความกลัวผมมองเห็นตาตุ๊กแกตัวนั้นจ้องไอ้มาร์กราวกับตาคนแก่ที่โกรธจัดตอนตกปลาไอ้แก้วกระซิบกับผมสองคนเมื่อกี้เห็นตาตุ๊กแกไหมวะผมไม่ตอบนึกกลัวจนไม่อยากจะพูดถึง ผมอยู่บ้านปู่อ่ำคราวละหลายวันจนโรงเรียนจวนจะเปิดก็ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านในตัวอำเภอเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพถึงเดือนตุลาคมโรงเรียนปิดผมกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดถึงวันเสาร์ก็ขออนุญาตพ่อกับแม่ไปนอนค้างบ้านปู่อ่ำช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวแถบบ้านปู่อ่ำซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเย็นสบายทุ่งนารอบบ้านมองไปทางไหนก็มีแต่ข้าวที่ออกรวงสะพรัง่งแลดูเลือยงสุขอร่มสุดลูกหูลูกตา ไอ้มักตายไปสองเดือนแล้วนะย่ายอดพูดขึ้นตอนเห็นหน้าผมผมใจหายว่าทำไมไม่มีใครส่งข่าวให้ผมรู้สักคนคราวนี้ผมเอาหนังสือการ์ตูนที่ไอ้มักชอบมาฝากมันหลายเล่มเวลามาบ้านปู่อ่าผมก็ต้องถามถึงมันก่อนใครนี่ยังไม่ทันถามถึงไอ้มักย่ายอดก็พูดขึ้นก่อนหน้าสงสารมันย่ายอดพูดผมรู้จากปากยา่าว่าไอ้มักไปเล่นน้าในแก่งและถูกจระเข้กัด ผมนี่ตกใจแถบนั้นมีจระเข้ชุมก็จริงแต่ไม่เคยเห็นทำร้ายใครพวกจระเข้มักจะอยู่ในที่ที่ไม่มีบ้านคนแล้วก็ชอบไปนอนผึ่งแดดนานๆยายยอดบอกว่าเย็นวันนึงไอ้มักลงไปเล่นน้ำที่แก่งก็ถูกจระเข้กัดที่ขาเป็นแผลใหญ่พ่อมันพาไปเย็บที่สถานีอนามัยแล้วก็ให้กลับบ้านกลับมาที่บ้านก็ให้ยากินอีกห้าวันต่อมาแผลเกิดอักเสบเป็นพิษผมน้าตาไหล ไอ้มักหนอไอ้มักอายุสั้นจริงนึกสงสารเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันเย็นวันนั้นผมวิ่งไปหาไอ้แก้วที่บ้านชวนกันไปนั่งใกล้กับกอไผ่ริมน้ําตรงนั้นเป็นที่ประจําที่พวกเราเคยมาตกปลาด้วยกันเรานั่งกันบนขอนไม้ใหญ่ริมตะลิ่งแม่น้ําป่าศักในเดือนนั้นเริ่มสูงขึ้นแล้วก็เชี่ยวกรากไอ้แก้วเล่าเรื่องไอ้มักเล่าไปน้ําตาคลอไปกูยังกลัวไม่หายเลยไอ้แก้วสั่นสะท้านทําไมหรอ น่า ก, กิ่งไม่ได้เล่าให้ฟังเหรอกูยังไม่ได้ไปบ้านไอ้มาร์กเลยไหนเล่าให้กูฟังหน่อยสิวันนั้นเนี่ยกูไปเล่นน้ำมันก็ไปด้วยตรงสวนสักหัวโค้งจวนจะขึ้นแล้วละ่ะมันก็ร้องบอกว่าถูกอะไรกัดขึ้นมาจากน้ำขาเวอะไปทั้งข้างเลยเลือดกรโกรหน้าเสียวไส้ผมนี่เสียววา่าตรงนั้นเป็นที่ประจาที่พวกเราชอบไปเล่นน้าบ่อยๆซึ่งเป็นวังน้าลึกแต่ว่ามีหาดทรายกว้างริมฝั่ง แต่ไม่เคยเห็นจร์เก้สักครั้งหนึ่งเอา้าแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นไอเคก็กูพามันไปส่งบ้านพ่อมันพาไปอนามัยให้หมอเย็บพวกผู้ใหญ่ก็ดูแผลบอกว่าไอ้เค้กัดไอ้แก้วเสียงสัน่นมันก็ยังไม่น่าตายนี่ผมนึกสงสัยน้กิ่งบอกว่าไอมา้มักเย็บแผลแล้วก็มานอนอยู่ที่บ้านแล้วมันก็ตายไอ้แก้วนิ่งไปครู่ใหญ่เล่าต่อเสียงสั่นเครือว่าวันที่ไอม้มักตายเป็นตอนเช้ามืด พ่อกับแม่ไอ้มักได้ยินเสียงมันร้องกรวนครางโหยหวนทั้งสองคนวิ่งตรงไปยังที่ไอ้มักนอนพอเห็นเท่านั้นแหละลมแทบจับแม่ไอ้มักหวีดร้องดังลั่นจิ้งจกกับตุ๊กแกไม่รู้มาจากไหนเต็มที่นอนที่ไอ้มักนอนอยู่ขาข้างที่เป็นแผลมีจิ้งจกรุมกัดเป็นกลุ่ม พ่อไอ้มักพยายามไล่อยู่นานพวกจิ้งจกยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าตูกแกบางตัวที่แก่จัดตัวโตๆไม่ยอมไปกลับขูฟ่ฟ่องฟ้อจะกัดพ่อไอ้มักเข้าด้วยผลสุดท้ายก็ต้องอุ้มไอ้มักหนีไปอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็กางมุ้งให้นอนตกตอนเย็นไอ้มก ร, ร้องตะโกนให้ไปช่วยไล่จิ้งจกอีกเปิดมุ้งไปดูก็ไม่เห็นมีจิ้งจกที่ไหนซักกระตัวผมฟังแล้วขนลุกพอตกค่ํามันก็ตาย ตาฉ่ำสับ ป, ประเวทเล่าว่าขามันบวมเท่าต้นกล้วยแนะไอ้แก้วเล่าต่อห่อไหลทําท่าสยองผมสงสารไอ้มักจับใจปู่อ่ําเคยเล่าให้ฟังว่าคนสมัยก่อนเวลาถูกจระเข้กัดเขาต้องกางมุงให้นอนตามตะเกียงไว้ใกล้ๆที่นอนเพื่อที่จะไม่ให้จิ้งจกกับตุ้กแกมาเลียแผลเพราะเขาเชื่อว่าจิ้งจกกับตุ้กแกนี่เป็นสมุนของจระเข้ใครถูกจระเข้กัดจิ้งจกกับตุ้กแกชอบมาเลียแผลแล้วก็ตายทุกคน ตอนนั้นผมยังไม่เชื่อที่ปู่อ่มเล่านึกเพียงแค่ว่ามันเป็นนิทานหมอที่อนามัยเนี่ยบอกว่าไอ้มาร์กเนี่ยมันเป็นบาดทะยักไอ้แก้วเล่าต่อเราสองคนเงียบไปสักพักหนึ่งคิดถึงเพื่อนต่อไปนี้ไม่มีไอ้มาร์มาเล่นกับเราอีกแล้วไอ้แก้วมองซ้ายแล้วก็มองขวาก่อนที่จะหันมากระซิบกับผมพัดมึงอย่าบอกใครนะอะไรอ่ะไอ้แก้วลดเสียงต่า กระซิบแผ่วเบาเราวกับกลัวใครได้ยินก็วันที่มันตายเนี่ยตอนค่ากูกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมได้ยินไอ้ ม, รมาร้องเรียกตรงกระไดบ้านฮะไอแก้วมองไปทางแม่น้ำเล่าต่อโดยไม่หันหน้ามาทางผมกูยังไม่รู้ว่ามันตายวันนั้นเนี่ยกูอยู่คนเดียวพ่อกับแม่ไปงานบวชนาคที่ท่าสองคอนพอได้ยินเสียงมันมาเรียกกูก็ออกไปยืนที่ชานบ้านเห็นไอ้มัรยืนอยู่ตรงลานข้างล่างน่ ผมรู้สึกหนาวเย็นยะเยือกหุ้ยอย่างงั้นชิวเหรอถ้าเป็นกูละช็อกตายตรงนั้นเลยแหละไอ้แก้วเล่าต่อเสียงเครียดถ้ากูรู้ว่ามันตายไปแล้วก็คงวิ่งป่าราบถามว่าหายแล้วเหรอมันบอกว่าหายแล้วแก้วไปจับจิ้งหรีดกันไหมมันชวนกูด้วยว่ะพัดเอา้าแล้วมึงว่าไงอะ่ะกูก็บอกว่าไปไม่ได้พ่อสั่งให้เฝ้าบ้านต้องให้พ่อกับแม่กลับมาก่อนบอกให้มันขึ้นเรือนมันก็บอกว่าขึ้นไม่ได้ สักกะเดี๋ยวมันก็หันหลังกลับแล้วก็เดินออกไปทางยุ้งข้าวถึงตอนนี้ไอ้แก้วเสียงสัน่นสักพักหนึ่งพ่อกับแม่ก็กลับมาแล้วก็บอกกูว่าไอ้มักเนี่ยมันตายเนี่ยตอนเย็นตอนนั้นพระอาทิตย์ตอนเย็นเริ่มลับขอบฟ้ามีเพียงแสงแดดยามเย็นสีแดงสะท้อนผิวน้ำในแม่น้ำที่อยู่เบื้องหน้าเสียงใบไผ่ที่อยู่ด้านหลังดังกราวจากกระแสลมริมน้าต้นฤดูหนาว เสียงตุ๊กแกร้องออกมาจากกอไผ่ใกล้ๆ ก, ก, กับขอนไม้ที่เรานั่งผมรู้สึกเย็นว้าบจับใจนึกถึงแววตาของตุ๊กแกตัวที่ถูกไอ้มาร์กตีตายในวันที่ไปตกปลาไอ้แก้วหันมองหน้าผมราวกับอ่านใจกันออกเราหันหลังวิ่งกลับมาตามทางเดินเลียบแม่น้ําไอ้แก้วแยกเข้าบ้านมันส่วนผมวิ่งข้ามถนนไปบ้านปู่อ่ําคืนนั้นกว่าจะหลับได้ก็ดึกมากนอนคิดถึงแต่หน้าไอ้มาร์ก ผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแม้แต่ปู่อ่ำกับย่ายอด